ขอความสุขความเจริญจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโภตยานได้นำเสนอวิริยบา ร, รมีมาโดยลำดำับหลักการเจริญวิริยบา ร, รมีนั้นว่ากระนมความเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องทุกเรื่องหมายความว่าเราจะบําเพ็ญบา ร, รมีข้อใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องมีวิริยะ องมีวิริยะบารมีสนับสนุนโดยกันทางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ท่านเสนอแนะไว้พูดง่ายๆว่าท่านตีกรอบไว้หรือนิยามกรอบของคำว่าบารมีไว้และอธิบายว่าท่านจงบาเพ็ญวิริยะบารมีเถิดอันว่าสีห์มริกราดมีความเพียรไม่ย่อดยอนในเริยาบทยืนเดิน ประคองใจไว้ทุกเมื่อชั้นใดท่านจงประคองความเพียรไว้มั่นคงในภพทั้งปวงเริ่มตั้งความเพียรถึงฝั่งแห่งเรียบา ร, รมีแล้วจกบรรลุพระสัมพุทยานได้ชั้นนั้นเต็นคํากล่าวกระตุ้นกระตุ้นเตือนพระไถยของพระโพธิสัตว์ในขณะที่บำเพ็ญบา ร, รมีอยู่ในภพชาติต่างๆ ยกตัวอย่างราชสีบอกว่าราชสีนั้นเวลาเขาจะนอนเนี่ยเขาจะวางท่าในการนอนแล้วก็ตรวจสอบดูเมื่อตื่นขึ้นมาว่าถ่ายียบทในการนอนของเธอผิดปกติไปจะทรมานตัวเองโดยไม่ยอมลุกขึ้นไปหาอาหารกิน ก็เรียกว่าดัดสดาตัวเองยามใดที่อิริยาบถของเธอขณะหลับเป็นก่อนจะหลับเป็นอย่างไงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอิริยาบถมือเท้าก็เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าได้คงความเป็นพยาไกรสอนราชสีดีไได้เพราะการประคองจิตให้ดํารงอยู่บนเส้นทางของความเพียรพยายามเป็นภารกิจของ บัณฑิตชนทั้งหลายคือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เพราะาเรื่องทุกคนจะต้องมีบา ร, รมีด้วยกันทั้งนั้นและว่ากันตามหลักความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าก็จะสรุปอริยสัจสี่พวกเราที่ศึกษากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ศึกษาในเรื่องอาริยสัจสี่และปฏิบัติตามหลักของอริยสัจสีประโสดตบันขึ้นไป ก็เกิดยานผุดขึ้นในเอริยสัตสีตามกำลังแห่งยานคือไม่ใช่สว่างเต็มที่แต่หมายความว่าท่านก็จัดกิเลสคือสังโยชน์ได้สามประการได้อย่างเด็ดขาดแต่นั้นเมื่อเดินบนเส้นทางสายเดียวกันแม้จะทิ้งช่วงห่างกันอยู่มากก็ตามแต่ว่าจะต้องรักษากรอบขอบข่ายของความเพียรพยายามเอาไว้ แตการสําคัญก็คือมีปัญญาในลักษณะที่สดสองมองไปข้างหน้าแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดมไดดม้จับต้องก็ได้แต่ว่ามีข่าวว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นีจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายก็พยายามป้องกันไว้ แล้ในขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพติดตัว เ, เองดูซิว่าเรามีความริษยามากไหมมีความโกรธมากไหมมีความบาคาั่งปัาบาทมากไหมมีความโลภมากไหมมีความสนิทมากไหมเนี่ยแล้วถ้าสาว้าลึกไปจนถึงว่าเราเคยมีปัญหาเพราะความรู้สึกเหล่านี้บากี่ครั้งกีนละ เรียกการเรื่องราวของบุคคลทั้งหลายที่ประสบ ป, ปัญหานั้นเมื่อสาวลึกลงไปถึงพื้นฐานหลังจิตใจของเขาก็จะเห็นอาการในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ประจักแจ้งในโทษของความรู้สึกในลักษณะนั้นคนนี้ถ้าหากว่าเรามองให้เห็นเป็นกระบวนการ และที่จริงเราจะเรียนจากเรื่องอะไรก็ได้นะอย่างยกตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตที่ท่านจองล้างจองพรานพระโพ ธ, ธิสัตว์มาในภพชาติต่างๆตลอดถึงในพระชาติที่ศัตรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังไม่วายเลยจะ้ะจงล้างจงพรานพระองค์อยู่นั่นแต่เราว่ามันสืบเนื่องมาจากอดีตการนานไกลบา พระเทวทัตเป็นเกิดเป็นพ่อค้าลูกปัดพระโพธิสัตว์เองก็เป็นพ่อค้าลูกปัดแต่วิ น, นิสัยมันก็คล้ายๆกับในชาติปัจจุบันนี่แหละคือพระโพธิสัตว์นั้นก็ดำรงอยู่ในธรรมก็เรียกว่าอยู่ในกรอบของบุคลามีธรรมทั้งสิบข้อนะั่นแหละเทวทัตก็หลุดกรอบออกไปหมดทั้งสิบข้อเหมือนกัน ต่อมาคราวหนึ่งไปค้าขายกั น, นเมืองแห่งหนึ่งโดยไม่ได้รู้จักกันานานหรอกพระคาบเทวทัตก็เข้าไปในที่บ้านเศรษฐีเก่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ยายแก่อยู่กับหลานหลานก็อยากได้ลูกปัดยายแก่ก็บอกว่าครอบครัวเรายากจนไม่มีสมบัติอะไรที่จะไปซื้อลูกปัดหลานก็ขอให้เอาถาดเก่าๆใบหนึ่งไปแลก หลังจากบ้านนั้นเป็นบ้านเศรษฐีเก่าถาดนั้นปรากฏว่าเป็นถาดทองคำาโปกาลูกปัดพอเล็บขีดดูเห็นเป็นทองคำก็เกิดโลกขึ้นมาเลยต้องการจะได้ราคาถูกที่สุดก็ทำทีเป็นไม่สนใจว่าไม่มีราคาข้างมวดอะไรแม้จะอ้อนวอนขอร้องให้จะให้อะไรก็ได้เพื่อแม่เด็กก็ร้องให้ตอนนั้นเด็กเือก็ไม่ยอม แล้วก็เดินหลีกไปโดยตั้งใจว่าจะย้อนกลับมาแล้วก็ต่อรองแล้วจะให้ของขตัวเองนั้นน้อยที่สุดไล้จะยึดโดถาดทองคำไปพอดีเมื่อเขาคล้อยหลังไปเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เดินมาถึงตรงนั้นก็ร้องขายของเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้ยายเอาเรียกพ่อค้ามาอีกเดถถือถาดมาแลกจริ ยายก็ชักเข็ดแล้วเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคราวไอเมื่อก่อนเนี่ยก็โดนอพอค้าคนนั้นต่อว่าเอาแดงก็เป็นผู้ดีเก่าก็ไม่สบายใจอ้ันบอกว่าเสียงผิดกันนะยายพอคาคนนี้รู้สึกใจเย็นใจดีเมื่อเข้ามาถึงก็พูดแบบเดิมนะฮะแต่ว่าพอคาพระโพธิสัตว์พอเอาขีดดูท่านัันเองท่านบอกว่ามันแลกไม่ได้หรอก เพราะว่าผมทรัพย์สมบัติของผมทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งของราคาถาดเพราะถาดของยายเป็นทองคําแต่วสินค้าของผมไม่มีราคาข่า ง, งวดอะไรขนาดนั้นนะพอยายก็เห็นว่าเออคนนี้ก็ซื่อสัตว์สุจริตก็บอกเอา้าหลานจะให้อะไรก็ให้มาเลยถาด น, นี้ก็ให้หลานก็แล้วกันในฐานะที่เป็นคนซื่อสัตว์สุจริต ก็ตกลงพ่อค้าประพฤติศาสตร์ก็เอาของทั้งเกวียนนั่นแหละให้ไปทั้งหมดเลยขอแต่ข้าพานะเดินทางกลับบ้านแนั่นเองแล้วก็ถาดไปเมื่อแกออกไปไม่นานพ่อค้าคนก่อนก็กลับเข้ามาก็าทำทีว่าเกิดสงสารเด็กขึ้นมาก็ อ, อยากจะให้เด็กเนี่ยได้รูปปั้ไปเล่นโดยแลกแกถาดกับถาดทองคำ ยายก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็ต่อว่าเอาแรง ๆ, ๆหลายคำเกี่ยกูดพ่อค่าพระโพธิสัตว์มากมันเกิดริษยานะเราเห็นว่าตรงนี้จริงมันเกิดจากริษยาลักษณะของริษยาเป็นกิเลสที่ผสมกันคนยึงริษยาเฉพาะคนที่ได้ดีมีสุขกัน หมายความว่าคนที่จเจริญโดยลาบยศสันเสริญสุขเนี่ยจะเป็นที่ริษยาของคนอื่นเียะถามว่าทําไมจึงริษยาก็ตอบว่าเพราะคนนั้นเขาอยากได้เะเองเมื่อคนอื่นก็ได้ก็ก็กริษยาก็แสดงบริษยานั้นโลภในสิ่งที่เขาได้โกรธเพราะคนโกรธในตัวคนได้ก็เป็นอาการของความหลงคืบจิตใจนั่นงงม ง, ง, งายไม่มีเหตุผล ความนิษยาจึงทำโลกให้พินาศได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแม้แต่ทุกวันเนี่ยเราลองสังเกตว่าเป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นมีความรุนแรงเป็นศึกสงครามเข็นฆ่าล้างผลานกันศึกษาวิชาการก้าวหน้ากันไปยังไหนแล้วก็ตามอาวุธที่จะเข็นฆ่าทำลายล้างกันเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพปฏิทิผลในการทำลายล้างสูงขึ้น สวยไม่คำหนึ่งตึงบาปกรรมอะไรแต่ละละร้านลักษณะหล่เนี้เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นมองเห็นจากเรื่องอะไรก็ตามหรือมองเห็นความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นภายในใจเราแล้วก็สร้างปัญหาแก่เราเยวก็เพียนพยายามลดละบรรเทามายอมสยบอยู่กับอำนาจของกิเลสนั้น เป็นไว้แต่ในกรณีที่กระแทกแรงเกินไปนะบางทีก็ เ, เอามาอยู่บาการเพราะว่าคือคนเราถ้ายังสาบใดไม่ได้เป็นประัจจาบันเนมันถึงจุดหนึ่งถูกยั่วยุถูกยั่วยวนรุนแรงขึ้นเนะี่ยก็เอาไปอยู่ก็เรียกว่าอาจกระทบอาจจะไม่กระเทือนกระแทกถ้าไม่แรงก็อาจจะไม่กระเทือ น, แ, แ, าอาจจอนแต่ถ้าถึงกับกระทุง้งบ่อยๆเนี่ยคงกระเทือน แต่ถ้าลงมือกระทายากที่จะไม่กระเทืนชีวิตของสามัญชนหรือผู้ทุชนเราจึงไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องตนี้โระเจจึงส่งสอนว่าให้ใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการก็อย่างน้อยก็ขึ้นสู่กระแสรหรือขึ้ น, ข, นขึ้นฝั่งคือป็นิพพานแต่ก็เป็นประสดาบันขึ้นไป แล้วการวิเคราะห์ตรวจสอบอาการไม่ดีที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยที่จริงค้ายๆจะง่ายนะฮะแต่ตรวจยากมันก็เป็นโครงสร้างมนุษย์่ะโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองติฉินนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าผูผาหนักยิ่งป้องผิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญผู้เจ้าทรงแสดงว่าโทษบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษต้องตนเห็นได้ยาก บุคคลจะพยายามกลบเกลื่อนโทษของตนและพยายามที่จะเปิดเผยโทษของบุคคลอื่นปตนน่ในที่สุดปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่ได้แก้แล้วก็กลับไปสร้างปัญหากับคนอื่นขึ้นมาอีกราะการบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยจึงไม่ได้มองไปที่คนอื่นมองว่าเราจะทำอะไรและจะทำอย่างไรตามในกรณีใดก็ว่ากันไป ในกรีนี้ก็มองเห็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละบรรเทาให้จากไปคลายไปบรรเทาไปเรื่อยๆแต่ในส่วนของคุณธรรมความดีงามทั้งหลายเนี่ยคือการเจริญกุศลที่จริงทุกข้อนะมันต้องช้ความเพียรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นลักษณะการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์และบางอย่างมันก็ทวนกระแสสังคม เราอยู่ในสังคมโลกนั้นส่วนใหญ่กิจกรรมในทางโลกนั้นจะเป็นกิจกรรมของผู้มึ่งประโยกต์จากบุคคลอื่นให้เราลองสังเกตว่าบางทีมันก็สวนทางกันเองนะในขณะที่ศาสนาสอนให้บุคคลพยายามระบาดระวังรักษาสุขภาพบริหารกายบริหารจิตใ้ดีในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นร่างกาย เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกต้องเปิดหน้าต้องผุพังไปทาําการแต่คนกลุม่มหนึ่งก็หากินเกี่ความปฏิกูลกับร่างกายเนี่ยมีน้ำอบมีน้ำหอมมีสบู่มีเครื่องดับกลิ่นด้วยประการต่างๆไม่ช่างเสริมสวยตกแต่งโอ้ยเป็นธุรกิจสร้างความร่ำรวยแก่คนอย่างมหาศาลเรื่องเดียวกันนะศาสนานั้นจะมองให้คนลดละ ความกบหนัดเพลิดเพลินทุ่มเทเวลาให้เสียไปพรเรื่องเราดันเพราะความจริงที่แท้จริงมันเป็นอย่าง้งแล้วคนก็พยายามปกปิดกลบเกลื่อนความจริงก็กลายเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแก่โลกเราลองนึกดูนะฮะการปรนปลื้ร่างกายของคนแม้แต่จะไม่นับอาหารเนี่ย นับถึงการตกแต่งประดับประดาร่างกายยืนอยู่หน้ากระจกหรือบางทีมีฐานะดีก็จ้างให้คนทำทำผมแต่งตัวให้ได้แต่ไรมันเป็นธุรกิจที่สร้างความร่ำรวยมากแล้วก็ลงทุนเนี่ยระยะเดี๋ยวประดาวนะแต่ว่าผมเยอะเลยแล่ในที่สุดมันก็แสดงอาการออกมา เราอาจจะเอาอะไรไปตกแต่งเอาไว้ไปเดียวเจอร้อนขึ้นมาก็เหงื่อมก็ออกอะไรที่แต่งแตงเอาไว้มันก็เสื่อมไปตามธรรมดาสาังขารทั้งหลายมันก็แต่งกันแล้วแต่งกันอีกคงก็สูญเสียเวลากับเรื่องนี้าการศึกษาธรรมะมันพยายามเรียนรู้ความจริงแล้วก็เข้าถึงความจริงแต่ความจริงเหล่านั้นมันทวนกระแสโลกเขา ก็กลายเป็นขัดขอกับชาโลกครับโลกบอกว่าสวยเราบอกว่าไม่สวยโลกบอกว่าเที่ยงแท้คงทนก็ยังนึกถึงการโฆษณาสินค้าบางอย่างนบอกว่าเนี่ยมันดีรุ่งเกินไม่ลอกไม่ดำก็แน่นอนถ้าไม่ลอกมันก็ไม่ดำแต่ตอนมันลอกมันก็ดำแต่เราฟังแล้วในคล้ายๆว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสลอกหรือดำได้เลย ซึ่งโดยกฎความจริงนี่นมันผิดกฎไลายลักคือกดความไม่เที่ยงเนี่ยแต่เราก็เพลิดเพลิพนที่จะชมอย่างนั้นแม้แต่จะพูดกันในระหว่างคนซึ่งโบราณท่านสอนเนี่ยท่านสอนเอาไว้ว่าข้อคำพูดของคนสี่กลุ่มสี่พวกนะฮให้ควางหูหให้หูคือชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวจะพูดหวานมากเลย จะรักไม่เสื่อมคลายรักเธอคนเดียวรักชั่วนีรันดอนในใจน้นเทศทั้งนั้นนะเพราะว่าความรักมันเป็นสภาวะธรรมอย่างนีน้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปมันมีความเปลี่ยนแปลงไปคำพูดตรงนี้ไม่จริงแต่คนชอบที่จะได้ยินและพอใจจะเพลิดเพลินกับการได้ยินได้ฟังข้อความในลักษณะอย่างนั้นมันในแง่ของเจตนาที่พูดมันก็ไม่สุจริตอะ พูดของกลุ่มผลประโยชน์ที่จะได้หวังได้ผลประโยชน์จากคนที่ฟังคำพูดเหานแล้วตัวของคำพูดเองมันก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมด า, มาแต่เราก็ไม่ค่อยคิดอดังนั้นไอการทวนกระแสโลกขนาดใหญ่เนี่ยมันยึมทวนอยู่สี่เรื่องใหญ่ ในในแง่ของธรรมชาติทั้งหลายนะหมายความว่าในแง่ของจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามสวยงามเป็นภาพมายาแต่เนดน็เป็นการปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลขึ้นมาแต่กระแสะโลกก็พยายามโน้มน้าวจิตใจให้เห็นความสวยงามเพราะมันกลายเป็นธุรกิจหมดเห็นไหมการนําเที่ยวการทัศนาจรการทัศนศึกษาการดูชมอย่างนั้นการสร้างการแสดงอะไรต่างทั้งหมด เพื่อคนเห็นว่าเป็นความสวยงามแล้วก็เพื่อให้สร้างกายก็ก็กลายเป็นตันหาเป็นอุปาทานคือยึดติดเราเจนว่านี่แหละบังกระบวนการของปฏิจจสมบาติมันก็เลื่อนลหยออกไปจากอห้ญาณะเป็นปัสสะปัสสะเป็นเวทนาเวทนาเป็นตันหาตันหาเป็นอุปาทานอุปาทานก็เกิดพบขึ้นมาคือความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นขึ้นภายในจิตใจของเรา เพราะโลกมันจึงสวนทางกับธรรมะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เรามองเหมือนกันเช่นระพุทธธรรมรัตข้อเด่นที่ไปรอบมากนะครับเราสั่งว่าเอธาปัสสะที่มังโล ก, กังจิตตังราจรถูปะมังยัตตาลาวิสีดันตินัติสังโฆวิชาณตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการราชรถที่พวกคนเข่าค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค่องอยู่ไหม เพราะคนเขาเนี่ยมันจะมองเป็นความสวยงามความเที่ยงแท้อย่างยืดเป็นความสุขที่นิรันดรไปเลยแล้วตัวเองก็มีเป็นตัวตนดิธาวรจะสวยความสุขอย่งนั้นเราดันอยู่ตลอดไปทั้งทั้งที่เ็เห็นกันนะนะแต่ก็พยายามที่จะปฏิเสธพราะการใช้ความเพียรพยายามต้องการจะละกิเลส ก, ก็ดีต้องการจะกำหนดรู้สภาวธรรมก็ดีต้องการละกิเลส ก, ก็ ด, ตกกกกดีต้องตาม ต้องการสัมพัสผลสัมผัสผลในแห่งกุศลธรรมที่พระเจ้าตันสัมผัสกันเอตลอดตั้งการพยายามรักษาคุณธรรมความดีต่างๆที่เกิดขึ้นไปในใ จ, ใจิตใจมันจึงทวนกระแสแรงมันก็เหมือนกับปีนหน้าผาที่ชันหรือมันว่ายน้ําทวนกระแสขึ้นไปก็จะเหนว่าทําไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆเนี่ย ไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆแล้วจะว่ายไประยะหน่อยเดียวก็ปล่อยมือปล่อยเท้าแล้วเพราะคนเบือตกในมหาสมุทรแม้จะว่ายน้ำเป็นด้วยกันก็ได้แต่ว่าถ้ามองท่ายมองขวาไม่เห็นฝั่งแล้วเนี่ยคนมันจะฝ่อแล้วหมดกำลังใจแล้วในที่สุดก็จะไม่ว่ายเพราะเรื่องราวทางต่างไม่ว่าที่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ได้นะที่ไหนก็ได้ เวลาเรือล่มเนี่ยคนตายมากกว่าคนรอดเพราะอะไรเพราะว่าความเพียรพยายามเขาเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะหมดหมดกำลังใจเสียขวัญเสียกำลังใจมองซ้ายมองขวาไม่เห็นทะเลก็มืดมิดแสงจันทร์ก็ไม่มีอะไรแต่ไหเนี่ย มันจึงนำยกย่องบุคคลบางคนเช่นกระหมาชนกโพธิสัตว์ประสังกปัดและอะไรที่เรานำมายกย่องเพราะท่านเหล่านี้ดาบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ดาบนั้นก็ใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปไม่ว่าจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่ก็ตามแต่ว่าก็ทุ่มเทลงไป เพื่อบรรลุผลเหล่านั้นลมหายใจแตกดับไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าลมหายใจยังมีอยู่ก็พยายามอยู่ร่ำไปใ น, นการศึกษาเหล่านี้ที่จริงเราเห็นได้ทั้งหมดไม่มีตัวอย่างบุคคลอยู่ทั้งหมดเราสามารถบอกกล่าวความบกพร่องในด้านความประพฤติของคนอื่นได้แต่พอถึงเราเองมันมองไม่ค่อยเห็น นั่นคือสิ่งที่มีปัญหาคือมองไม่ค่อยเห็นระดับการแก้ไขความบกพร่องภายในตัวของตัวเองนี่ยังแก้ยากแม้เวลาเราทำพลาดทำผิดลงไปมันก็พยายามที่จะแก้ต่างแก่ตัวเองได้อยู่เรื่อยๆนะเวลานี้มีแฟชั่นใหม่บอกว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้ไปทำผิดไปฆ่าคนไปยักยอกทรัพย์เขามาแล้ว ไปล่วงเกินคู่ครองเข้ามาแล้วโกหกจนเขเสียหายแล้วบอกว่าผมอธิบายได้เมื่อก็อธิบายได้ดังนั้นนหะแต่ว่าปัญหาสาคัญว่ามันทุจริตไปแล้วครบบริบูรณ์ไปแล้วมีเจตนาแล้วมีการทํามีการพูดออกไปแล้วมีผลจากการพูดการกระทําที่สร้างความเดือดร้อนแล้วอธิบายมันก็ไม่ได้แก้อะไรแก้ไขอะไรขึ้นมาแต่ว่าเป็นภาษาที่แปลกคืออยู่ได้นานได้แก่ ภาษาพวกแก้ตัวนะฮะแต่เย็พวกแก้ตัวแก้ต่างแกตัวเองตัวเองผิดก็จะไม่ยอมรับผิดเพราะหลักการแทาความเพียรจึงต้องมีความซื่อสัตย์ตัวตัวเองคือถ้าเราบกพร่องก็คือบอกพร่องแล้วเราก็พยายามแก้ไขเองนะมือนก็เสืออส้อผ้าเราสกปรกเนี่ยเราก็ยอมรับผมสกปรกแล้วก็ซักเองการปฏิบัติพัฒนาจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นต้งฟังเท่าไหร่ แต่รมประพทิยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นกำหนดที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรุ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี